สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทยิพิบาล น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ใน20กฎทองคำกฎข้อที่9กครับก็คือกฎแห่งการขานรับตอบรับตอบสนองต่อเสียงต่างที่เราดําได้ทําถวายพระเจ้าพี่น้องครับในวันนี้เป็นกฎข้อที่ 5... ย่อยนะครับก็คือพระเจ้าทรงตอบรับ โดยประทานความรักให้แก่ผู้ที่มีความรักพี่น้องครับพระว จ, จนะของพระเจ้าปรากฏอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อที่7นะครับบุคคลผู้ใดมีใจกรุณาผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับพระกรุณาตอบโปรดฟังอีกครั้งครับบุคคลผู้ใดมีใจกรุณาผู้นั้นก็เป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับพระกรุณาตอบพระคัมภีร์เฉลิดีบทที่18ข้อที่25ครับ พระองค์ทรงสำแดงความรักมั่นคงต่อผู้ที่จงรักภักดีพระองค์ทรงสดงความรักมั่นคงต่อผู้ที่จงรักภักดีในสุภาษิตบทที่19ข้อ17เช่นเดียวกันครับบุคคลที่เอนดูคนยากจนก็ให้พระเจ้าทรงยืมและพระเจ้าจะทรงตอบแทนแก่การกระทำของเขาพี่น้องครับพระกัมภีทั้งสาต่อ น, นี้ ทำให้เรารู้ว่าใครก็ตามที่มีใจกรุณาผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับพระกรุณาตอบนี่คือกฎหรือหลักการแห่งการตอบรับตอบสนองและในสุดีก็เช่นเดียวกันครับพระเจ้าทรงสำแดงความรักมั่นคงต่อผู้ที่รักพระองค์หรือต่อบผู้ที่จงรักภักดีเราเห็นได้ชัดเจนครับว่าใครก็ตามที่จงรักภักดีต่อพระเจ้าหรือรักพระเจ้าพระเจ้าจะทรงสำแดงความรักมั่นคงกับคืน ตอบผู้ที่รักพระองค์ในสุภาษิตก็เช่นเดียวกันเลยครับใครก็ตามที่เอ็นดูหรือรักคนยากจนก็ให้พระเจ้าทรงยืมและพระเจ้าจะทรงตอบแทนแก่การกระทำของเขาพี่น้องครับนี่คือหลักการแห่งพระเจ้ของพระเจ้าเราจะเห็นหลักการของการตอบรับตอบสนองที่พระเจ้ามีต่อผู้ที่ทำดีรักคนอื่นพี่น้องครับหลายหคนนะครับเราคิดว่าเราจะทาดีไปก็เท่านั้นแต่ สิ่งที่เราทํากับคนอื่นนั้นเรากําลังทํากับองค์พระผู้เป็นเจ้าครับและเมื่อเราทํากับองค์พระผู้เป็นเจ้าแน่นอนครับพระเจ้าไม่ได้ละไม่ได้ทิ้งพระเจ้าจดจําไว้ตลอดครับพี่น้องครับพระเจ้าจดจําสิ่งดีๆที่เราทํากับพระองค์ตลอดเวลาและพระเจ้าจะตอบแทนในเวลาที่สมควรในเวลาที่เหมาะสมพี่น้องครับจงอย่าเมื่อยล้าในการทําความดีจงอย่าเมื่อยล้าในการที่เราจะรักพระเจ้า จงอย่าเมื่อยล้าที่เราจะจงรักภักดีจงอย่าเมื่อยล้าที่จะมีใจกรุณณาเพราะว่าเขาจะได้รับกรุณาตอบจงอย่าเมื่อยล้าที่จะเอ็นดูคนยากจนเพราะว่าเรากําลังให้พระเจ้าทรงยืมพี่น้องครับพระเจ้าได้ทรงสําแดงความรักมั่นคงต่อผู้ที่จงรักภักดีและรักพระองค์เสมอครับพี่น้องครับผมจะไปถึงประเด็นที่สําคัญอีกประเด็นหนึ่งครับในประเด็นที่6ของกฎข้อนี้ คือผู้ที่ไม่ให้อภัยคนอื่นพระเจ้าก็จะทรงไม่อภัยเขาพระเจ้าจะไม่ให้อภัยเขาครับพี่น้องครับพระวรของพระเจ้าปรากฏอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่ 18, 35ข้อสาโปรดฟังพระวรสาของพระเจ้าครับพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะทรงกระทาแก่ทุกคนอย่างนั้นถ้าหากว่าท่านแต่ละคนไม่ยกโทษให้แก่พี่น้อง ของท่านด้วยใจกว้างขวางบทฝันกครั้งครับพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะทรงกระทำแก่ทุกคนอย่างนั้นถ้าหากว่าท่านแต่ละคนไม่ยกโทษให้แก่พี่น้องของท่านด้วยใจกว้างขวางพี่น้องครับหลายครั้งทีเดียวนะครับเรามาหาพระเจ้าเราต้องการการอภัยโทษจากพระเจ้าแต่เราเองนั้นกลับ ไม่ค่อยยกโทษให้กับคนอื่นอย่างนี้แหละครับคือจุดอ่อนและทําให้เราไปไม่ถึงเป้าหมายผมอยากจะตั้งคําถามพี่น้องครับว่าทุกวันนี้เราไปคริสตจักรเราไปทําอะไรครับและเราได้เป้าหมายตามที่เราต้องการหรือตามที่พระเจ้าต้องการครับคําตอบก็คือว่าทุกวันนี้เราไปคริสตจักรเพื่อเติมเต็มบางสิ่งบางอย่าง อาจจะเป็นในทางสังคมก็ดีในเชิงจิตใจก็มีความสุขสบายใจเราได้มีโอกาสที่จะถวายทรัพย์เพื่องานของพระเจ้าเราเองนั้นก็รู้สึกดีเพราะว่ามีโอกาสช่วยเหลือคนอื่นแต่พี่น้องครับเป้าหมายสูงสุดในการไปน้ำมันสการพระเจ้าก็คือการที่เราจะไปสามัคคีธรรมกับพระเจ้าและสามัคคีธรรม พี่น้องหรือเพื่อนมนุษย์นั่นคือเครื่องหมายของไม้กางเขนครับในแนวดิ่งนั้นระหว่างพระเจ้ากับเราเรากับพระเจ้าเป็นสามัคคีธรรมในแนวดิ่งคือเราจะมีสามัคคีธรรมกับพระเจ้าในคริสตจักรเมื่อเรามาโบสถ์ในทนํานองเดียวกันครับเมื่อเรามาโบสถ์เราก็จะได้แนวราบก็คือเป็นแนวราบของไม้กางเขนก็คือการสามัคคีธรรม ระหว่างเรากับเพื่อนๆ เ, เรากับพี่น้องเรากับมนุษย์พี่น้องครับในสิ่งเหล่านี้ทาให้เราตั้งข้อสังเกตว่าใครก็ตามที่มาโบนั้นแต่หากว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้ามีสามัคคีทำกับพระองค์อย่างแท้จริงแล้วการมาโบนั้นก็เปล่าประโยชน์ไม่ได้วัตถุประสงค์หลักไม่ได้ตามเป้าหมายหลักที่พระเจ้าปรารถนาและนามปฏทัยของพระองค์ นั่นคือสิ่งที่สําคัญครับและคําถามต่อไปก็คือว่าทําอย่างไรที่เราจะมีสามาคีทำ ร, ร, ระหว่างเรากับพระเจ้าได้คําตอบก็คือต้องจัดการกับปัญหาของความบาปครับก็คือการรับอภัยโทษจากพระเจ้าการอธิษฐานส่วนตัวของแต่ละท่านแต่ละคนเพื่อที่จะขอการยกบาปให้อภัยที่มาจากพระเจ้านั่นแหละครับคือสิ่งที่ พระเจ้าปรารถนาให้เราทำแต่เมื่อเราอธิษฐานสารภาพบาปเรามีท่าทีแห่งการกลับใจใหม่ไหมถ้าเรามีท่าทีแห่งการกลับใจใหม่นั่นแหละครับบาปของเราได้รับการยกเพื่อน้องครับพระกัมภีร์ตอนนี้ทําให้เราจะต้องกลับมาดูท่าทีการนมัสการของเราในแต่ละวันและในแต่ละสัปดาห์แต่ละวันอาทิตย์ที่เราได้ไปนมัสการพระเจ้าแท้จริงแล้วเราเป็นผู้ที่บริสุทธิ์จริงๆหรือเปล่าครับ ที่เราจะนำพัสการพระเจ้าได้แท้จริงแล้วเราเป็นคนที่พระเจ้ายกโทษให้จริงๆหรือเปล่าครับคำถามก็คือว่าถ้าเราไม่ยกโทษให้กับคนอื่นแน่นอนครับการยกโทษที่พระเจ้าจะยกโทษให้กับเรานั้นไม่เกิดครับพี่น้องครับเราต้องยกโทษให้กับเราพี่น้องของเราด้วยใจกว้างขวางบูกที่ไม่อภัย ผู้ที่ไม่อภัยคนอื่นไม่ให้อภัยคนอื่นพระเจ้าก็จะไม่อภัยให้ขับเขาพี่น้องครับนี่เป็นเรื่องร้ายแรงหลายครั้งทีเดียวเราคิดว่าเรามานำส ก, การพระเจ้าเรามาถึงพระเจ้าจริงๆแต่จริงๆไม่ถึงครับนั่นคือความน่าเสียดายมากขอว่าเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราเองนั้นจะได้เห็นถึงสิ่งที่จำเป็นที่สุดสาคัญที่สุดก่อนเสมอ แต่ถ้าไม่ฉะนั้นแล้วเราจึงได้แค่กับพีครับไม่ได้ไปถึงเก่นอาจจะเราจะสบายใจเป็นการชั่วครูคร่ชั่วยามชั่วคราวเท่านั้นแต่ว่าสิ่งที่สำคัญครับก็คือเราเองนั้นไม่ได้ไปถึงการนามัสการพระเจ้าจริงๆหรอกครับขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องที่รักทุกท่านในการที่เราเองนั้นจะจริงใจต่อตัวเองและยอมรับว่าสิ่งที่ผ่านมานั้นอาจจะผิดพลาด สิ่งที่ผ่านมานั้นพระวจานะพระเจ้าได้เปิดเผ ย, ยสำแดงให้เรารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกที่เราทำร้ายสิ่งหลายอย่างที่ไม่ถูกต้องไม่สมควรขอให้เรากลับใจใหม่อธิษฐานสารภาพบาปรับการให้ภยภัยการนมัสการพระเจ้านั้นจึงเป็นการนมัสการพระเจ้าที่แท้จริงได้ครับอาเมน